พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่8ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิห้าพฤศจิกายน2556้าหสหมีชื่อเรื่องว่าทำงานคอยงานวันในพระ ลงมาจันท์ทั้งหมดสามสิบารูปนะองค์ที่โบมาจันเร์นจันทร์ั้งนอกอาจจะมีวันนี้เป็นวันที่ยี่สิห้าพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันพระแปดค่นะาเดือนสิบสองแรมแปดค่าเดือนสิบสองวันเดือนสิบสองเพนที่ผ่านมาอันนั้นเป็นวัน รอยกระทงวันสิ้นสุดเขตกระถินวันที่สิบเจ็ดพฤิจิกายนแต่วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเดือนสิบสองเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันฟังธรรมเป็นวันพุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญแปดค่ำสิบห้าค่ำ เมื่อนี่เป็นวันพะเ น, นี่คณะชาติไทยเนี่ยมลูกหลานนี่ยไปที่มาสามารถท่านสินยังไดก็สามารถท่านสินใดนะแล้วก็เอางานของพวกเข้ากูบาจานมาสัมมตสามสิบพาวองค์เริ่มเขามาแล้วได้ไงแต่ย่อยเขามาแล้วอคงจะช่วยๆกันดูงานของหลวงปูของเข้าเพื่อจะให้งานเริ่มไร้รื่นนอะอแต่ถึงยังไดก็ตาม หลวงพ่อตาที่เปินมากเกี่ยวกับเมน่นเปินกามานางอยูุ่คางหลงพอ่อแล้วก็ต่อองค์นั้นไปก็คือเปินมาจากกลุ่มวัดป้าบันตาดเป็นพวกน้องๆที่เขามาช่วยงานไปช่วยงานไดสถานที่ต่างๆแล้วก็พร้อมกันก็เนี่ยท่านอาจา ร, รย์หน่อยที่มากหลวงพอ่อหลูกน้องของหลวงพอ่อ ที่เขามาช่วยงานแล้วก็มีครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่เขามาเพื่อจะช่วยๆกันงานหลวงปูแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามขอฝากไว้กับน้องนุ่งทั้งหลายทุกองค์การทำงานต้องประสานกันต้องประสานกับเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์แก้วมีไอ้ยังกับปรึกษาปารลกันแต่ว่าถามจริงงานมันก็ต้องไป หนาหนาจิตต่างนานาทัศนะก็มิโยบังแต่ว่าเจ้าได้ก็ตามก็ให้ไปแนวแถวเดียวกันเพื่อบูชาประคุณของหลวงปู่ของเฮ้าหลวงพ่อมามว่านหลวงพ่อก็บอกพวกเฮ้านะ่าลูกหลานทุกคนนะ่าที่มากคับหลวงพ่อที่เป็นกนะ็ให้ช่วยๆนั่นกันสําหรับเป็นโยมโยมก็คือลูกหลานบ้านตาดนะมากกระทันอาจารย์นหน่อยอมียังกระบอกอโยมที่มากนะั่นแหะ ดูเจ้ามากกลยกับผ้าไอ้เออมาชมมาว่ากับตัดหยาดถูกหลานนะแต่ทำงานค่อยงานเ่บแมนที่เช่าบ้านเขาเกี่ยวเขาห้าวของแมานางโจโรเจเลยอยู่กับโแมนแนลไอ้ตัดหญยาแนนแดงสีสะอาดภายในวัดของเขา้าช่วยกันเบิงไอ้พวกกูบะเขื่อนช่วยกันเบิงอันไหน ม, มัน บ, บริบบอเรียบปล่อยภายในวัดใบทรงใบซัดหมดแ่้วอะไอ้ย่ามปัดกวาดตอมเช่น้วก็ไปทิมมองได แต่หลวงพ่อนี่บอแนะนําให้การเผ า, เาการเผาเนี่ยมันบนแมนแนวดีดอกมันเป็นขีดฟุน้นเพราะเป็นขีดฟุ้นดําล้วปัญหานั่งไปไผ่จิโมจากนางมงคลเออถ้าว่ากวาดกวาดกวา ด, กวาดได้แล้วก็ไปทิ่มมองได้มองหนึ่งเลยว่าเผาเป็นที่ตรงนั้นจะดีกว่ า, อาบอแมนเผาไปจุดกระจายไปที่ล้มพ่อเห็ น, นไหมไผ่จิโมนางใดมันขีดฟุ้นดำอะ่ะ เ, เพราะนั้นถ้าบอจําเป็นจริงๆย่าใส่ไฟ ภายในวัดหรือบริเวณเผาบมดีโกมันเป็นกีฟูนดําแล้วก็ม่นภาวะเป็นพิษอีกต่างหากทำให้โลกรอดอีกต่างหากเพราะนั้นว่าจาเป็นอย่าไปเผาแล้วก็พร้อมกันก็ฝากไว้กับพี่น้องบัตรหน่วยท่ายเาวนาทุกขู่ทุกคนคันฮาว่าผู้ใดก็ตามสีเขาแล้วคันบ่อเอ่อเฟื่องนะคันบ่อเฟืองไรขนมาไวกองไวทางใด้างนึง เป็นบุญเป็นกุศลนะลูกลานน ะ, ะมือว่านกับหลวงพอก่อเห็นพระมาจากแถวกระสินแถวสมเด็จแถวต่างๆหลวงพอ่อเออขันเป็นไปไดอ้อยากจะให้พวกพระเจอาวาดทงาง้ลยขนเฟื่องคืนไช้รถเซบหลอดเทนเลอร์มาเท่ไวเป็นจุดๆมาเท่ไวในวัดของหลวงปู่จามของเฮ้าต่อไปไพ่ภาคนา เมื่อเขากลางเต็นเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้เอาชาวบ้านบูกหลานนักเรล่นามากขนเฟื่องเขาไปในเต็นเพื่อไหว้คบขี่ฟุนเวลาเข้ายางไปมันก็จะบ่มีขี่ฟุนขึ้นมากคณะว่าเข้าบ่มีเฟื้องปกนาดินเนี่ยพุ้นไปยางไปย่างมากฟุนทั้งหลายขี่ฟุนทั้งหลา ย, ลายมันก็จิตตลบขึ้นมากแต่เป็นไปได้ก็อยากจะให้พวกพระต่างๆในระแวกนี่ขนเฟื่อง อมากองไว้เป็นกองไห้ก็ดีขึ้กันแล้วลูกหลานเนอแต่าบางองค์เพลกระลับไปเพราะนั้นขอฝากคับพี่น้องเช่าบ้านในระแวกนี่ขึ้นกันคณะมอภูดายอยากได้บุญเออเวลาเนอใส่รถอีตอกอีแตกมากหรือว่ารถียั ง, ยงมากก็ได้มากองไว้เป็นหม่องจะกอน เ, อเพื่อจะได้ผู้บายอาจารย์จะได้นั่งซัดท่าหยาดนู่นจะได้ปู่มาทําบุญทําท่าน ขันมาผูา้ใดสิเอาไปเลี้ยงง่วเลี้ยงควาเยเอยอกันนั่นก็บาว่ากันละ่ะขันอ า, าวุธผู้ใดเห็ดเหล่าทิมๆคว่างๆก็ให้สรอยๆกันเบิงนะอันนี้เป็นบุญเป็นกุณส่วนสำหรับผัวเข้าทั้งมัดนั่ะที่หลวงพ่อเเว่นี่นะบ๊บแมนบอกเพื่อหลวงพ่อเนี่ยเพื่ อ, อความเรียบร้อยของงานบูชาพระคุณองค์หลวงตาองค์หลวงปูของพัวเข้าแต่มาแล้ปูโหลดจะเฝ้าปูสันเพิวนว่าพระพระไห่ข่นนำในนํา ยาเฝ้าปู่ด้ลงพอเนอะท่านพอมาปูทางพอฟดตกใส่น้อยหนึ่งเนี่ความชื่นมันจะเกิดขึ้นเพราะความชื่นเกิดขึ้นให้ตัวให้ตัวมัดตัวเม่นยีโยในหันโอ๋เบิ่งบอจืดเลยเะท่านเกิดตัวให้ไห้ที่สดข้าวเอาปู่เขามันเชื่นนอะท่านอยู่ในหมอีกต่างหากอันนี้ียหมเต็นเฮ่เดดประซองบันนี่นั่นแหละคนไปนั่งเนี่ยให้เนี่เต็มตัวเลยละลงพอเะ่ อันนี้ก็คือกลมพหลเออถ้าเป็นอย่างตันพวกเฮาได้เฟืองมาเฮาต้องกองไวซ้อนกองเป็นกองไวเป็นกองเป็นกองไวบาห้าแล้วเฮาไข่ยังค่อยใสแอ้รถ e ek, e อีตอกอีแตกนี่ยังไงนักเรียนมากเขาระดมระดมนักเรียนมากให้เขาเคลียใสไอ้ไต่ตุงไต่เต้นไต่ไอ้ยังปูคูบาจานนั่งแล้วก็พร้อมกันให้ทํางานค่อยงานถ้าบมี่ยังไงพวกกูบาทั้งหลายนี่แหละ ให้เตรี๋ยมไม่ไหวไม่ไพ่อยู่ทั้งทั้งบ้านคุณแม่มีอยู่ทุกขอไพ่ใดที่พูดที่จะให้เตรี๋ยขอไพ่ตัดไม่ไพ่ไม่ไพ่มาไหวหลวงพ่อวัดถึงอย่างไรมันก็นต้องได้ใช่ละประล้ำพิธีของพระสงฆ์ที่หลวงพ่อไปเห็นตามงานต่างๆก็ต้องมีเสาไม่ยุค่าลิบหรืเส า, ม ไ, มาไม่ไพ่นะหลักัดมีค้าวไม่ไพ่คำคาคำสําหรับพระสงฆ์นาง จากนั้นก็พาไม้แผ่นไม้อัดหลุ่หนาาดกาดกาดก า, ด แ, กาดแล้วก็มีผา พ, พิ้งผาพนักพิ้งไม่ภยัยสำหรับหมอนพิ้งซส่งเราเนี่เข้าต้องได้คิดไปก่อนโมเมน์สีงานหอดหอดมือจะก่อนออยังคอยเปรย์เปิดเตยลงพออยากจะให้พวกงานพรอมก่อนส่วนเครื่องขยายเสียงที่หมูพ่พน่าหม่าว่านก็ได้ถามว่า เครื่องขยายเสียงอยู่วัดหนองผือหน้าไนวัดหลงปูมันเพิ่นหากระจัดงานหาก็แล้วเครื่องตัวนี้แปลว่าเพิ่นกระปวานาหน้าหลวงพ่ออยู่เจ้าของเพิ่นบอกว่างานของหลวงปูเนี่ยใส่เครื่องเดียวพ่อเลยเนอดังกระจายไปทัว่วทุกแห่งเพราะใช่มาในงานของหลวงตามาแล้วใช่มาในงานใหญ่ๆมาแล้วแต่ว่าเครื่องเดี๋ยวนี้อยู่วัดหนองผือหน้าไนอันนี้หลวงพ่อก็ได้ทราบจาก นั่นแล้วก็พร้อมกันกระเต็นโยนนั่นก็นมีเพราะนั้นสิงเรานี่ทั้งหลายทั้งปวงแต่ต่างข้นต่างหูต่างคนตา่นตางเห็นว่าหมองไหนจะเกิดประโยชน์อย่างผู้ทอกอยังสิมีทั้งเต็ น, ม, ตนมีทั้งโตนะแล้วก็หลวงพ่อเอจะเอาหลดาอดไสโนทางท่านพระอาจารย์สุธรรมสุธรมโมน้องภัยแล้วก็เนี่ยอาจารย์กำรัตน์เปนบอกว่าลดหกหล่อวัดสุดท่าวาด ที่หลวงพ่ออุท่ถ้เป็นผู้ลงขันองค์หนึ่งสื่อรถหกล้อสองขั้นขั้นน้อยแต่ขั้นใหญ่เพื่อขนน้ำลงไปให้พวกน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อข้าวที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้รถประจําอยู่วัตถุทวารถ้าต้องการใส่อบอกไปเลยนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกกูบาทั้งหลายนะท่านน่อยนะจัดประสานกับท่านหลวงพ่อจําลัดไประสานกับเจ้าอาวาสท่านอาจารย์แจวแล้วก็มูหกเพื่อนเนี่ยนะเขาจะเอารถขั้นนั้น ไปใส่ใส่กัประสานว่นพอจุถ้ำน้ำพร้อมเนีน่ยนะทั้งใบทั้งหม่ามันมีมัดน่ะถ้าว่าพวกเข้ามีหมูมีเพื่อนมีผักมีพวกหลายคณะว่าอาอกคอแอแคลพาคุ้มหัวเยู่คลองอยู่มันกิดอันไหนมีแต่ซื้ออันไหนมีแต่ซื้อมันก็นต้องได้ใจได้ใส่เงื่อนหลาขันโบจําจเป็นจะไปจ่ายไปใส่เข้าหยืมมาสะก้อนไผเป็นผูกไปรับของหม่าไก่หูจักเส้นซื้อไว้ได้รับของเอียงม่าแน่ รับมาแล้วก็เอาไปส่งคืนส่งคืนเป็นนะแล้วกัการที่เอามาก็ให้ให้ไฟเข้าพวกไฟอาจารย์ น, น่อยเป็นผู้ถูแลค้าน้ํามันรถให้ข้าเจ้าหรือว่าทั้งส่วนกลางกับปรึกษากันอาจารย์แเจียวควรจะให้ค่า น, นา้ํามานรถเท่อไดคข้าข้นติดตามมาเท่อไดจ้างข้นให้กลางเตนเท่อได้ก็กลุ่มของเขาเนี่ยเนี่สิ่งเรานี่ก็ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยๆกันคิด ของงานของเงามันจะเป็นงานใหญ่สวนเต็นหลังจะเขามากวันที่หกเบียร์ช่างจะเขามากแต่จะมากน้อยแค่ไหนเผนก็ บ, บอกผนก็บอกทัานบอกว่าชัดเจนแต่ลอยข้อหลังคงจะได้อยู่แล้วก็พวกน้ำพวกยังที่จะเขามากพวกน้ำเพราะ ม, มีบอสผู้เขากวางหลงพ่อสุทัศนหรือว่าในทิศนี่วัดไรที่จ ะ, ะระดมนางเขามากเรียงขูงเลียงคนในช่วงนั้น หรือว่าทั้งกรุงเทพเพนประวรนาวัยจัไนไรอันนี้หลวงพอก็ยินวา่ยากลุ่มใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปูเ่เฮาที่ปรวรนาเริ่มนามแต่ถึงอย่างไรก็ตามอแต่ต่างช่วยกันคิดช่วยกันใช้ความเห็นช่วยกันประสานงานงานนี่มันไ ม, ม, ม, ม่เป็นงานผู้หนึ่งผู้เดียวมันไม่เป็นงานหน่อยงานใหญ่แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามสรุปลงแล้วก็คือวันที่หานี่ยวันที่หามักร่าเนี่แล้วก็ลงไป จิเป็นอย่งไรมันแล้วหอดมือนั้นหมดไปพ่อแล้วแล้วกันตั้งคนตั้งไปแล้ววันนี้ไปพาอวนาของไปของมั่นไปทิเหตุจ้าหน้นก็กไปไปสิเก่งกสาสามารถห้องเหือเดินฝากเอาไปตามวิถีของเจ้าของแล้ววันนี้จบไปลว่างานลงผู้จ่าจบเพียงวันที่หัหอดมือนั่นจบนไปพนั้นคอยพวกเฮาลูกลานพระเนนทุกคนสัทยาห์ญาณนองพินองทุกทู์ทุกคนน่ะ ในช่วงนี้ต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะนะไผ่ออมองเห็นจุดไหนที่จะเกิดประโยชน์ในงานไก่มองไปหาจุดนั้นแล้วก็ข อ, อ, อขอมาช่วยในงานตลอดถึงต่งถึงเต้นตลอดถึ ง, ถงห้องน้มสุก ข, ขาสัวข้าวจังหวัดไดมี่อำเภอไดมี่วัดไดมี่อย่างวัดหลวงปู่ศรีจังสิมหาวิโรจนิผมีอย่างแน่ ที่จะมาใช้ในงานหลวงปู่ของเข้าขอลองไปได้มาแล้วก็ยืมมายืมมาแล้วก็เอาไปส่งเพลนไผเป็นผู้รับผิดชอบใ น, นการยืมไผเป็นผู้รับผิดชอบใ น, นการส่งสิ่งเหล่านี้ก็พวกให้คณะกรรมการน้องลงลูกลานทั้งหลายช่วยๆกันคิดคิดกันร่วมหลวงพ่อมีแต่งแต่เบาเหลืองไปยืมสิ่งของบ่ได้เบาเรื่องเงินค่าธํามนุนลดสักหน่อยเลยเนี่ยสิ่งโมเนก็ยังคอยว่ากันนะ หลวงพอบดหนีอยู่แล้วเอาหลังพิงฝาบอดแล้วบอกแล้วว่างานนี่งานหลวงปูหลวงอาของเห่านี่เห่าบดหนีหลังพิงฝาสูดได้ทุกรูปแบบมาไล่สดใส่ซดขวาซดนาสดหลังแล้วนไปหัวชนอีกต่างหากคนไปเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายให้ฟังฟังเอาไว้นะเพราะหลวงพ่อเองก็คยดูแลจัดงานในใจของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดมาจากใจจริงเลย หน ง, งานศพของพอของแม่หลวงพ่อเป็นนาทีงานศพหลวงปูล่ลาหลวงพ่อเป็นนาทีงานศพคุณแม่ชีแก้วหลวงพ่อขอไปเต็มทีลงงานศพของลงตาหลวงพ่อขอไปเต็มทีงานศพหลวงปู่ยามหลวงพ่อขามาเต็มทีนี่แหละมรดคนีแ้แหละทีหลวงพ่อจะขอไปเต็มทีนอกนั่นหลวงพอ่อประเดมมุ่งหวังบระเดมตั้งใจอีย่างทั้งมรดแต่ว่างานศพแหะหลว ง, งพ่อจะต้องหาพกท่านนี่แหละ อยู่ในใจของหลวงพอ่อนะีก่อนนั้นขอให้ลูกหลานคณะตัดทายเนี่ยนงฟังเอาไว้นะหลวงพ่อจะพยายามทําให้ดีที่สดุดคิดให้ดีที่สดุดทำให้ดีที่สดุดพูดให้ดีที่สดุดนะในงานของนะคู่บ่ายการแต่ที่พันพาดมา ก, ก็สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะขนาดไงางานขององตาพวกเฮาทั้งหลายก็คงได้รู้ได้ทราบงานหลวงปู่หลางานของคุณแม่ชีแก้วก็ตางหลวงพ่อเองก็พยายามทำให้ดีที่สดุด ในงานนั้นน่ะแต่มาถึงลงปูของเขานี่ลงอาอีกตั้งหากนะลงพอจะไปยามท่าไม้ดิงที่สุดขึ้นกันฉะนั้นขอให้พระเน้นนองงงทั้งไหลมีไอ้ยังเกิดขึ้นมีนักเรื่องนักใจเรื่องเกิดขึ้นมีออ้ยังบอ๊อสบายใจเกิดขึ้นให้มาปรึกษาให้มาถามลงพอได้นะทันว่านัดใจเรื่องลงพอก็บอกมากขึ้นลงพอจะพิจารณาตัวเองขึ้นกันะ หลวงพ่อเนี่ยเข้ารับเข้ารบในหลักเหตุผลเท่านั้นมีเหตุผลพ่อไหมถ้าไม่เหตุผลพ่อเพราะเหตุใดต้องเอาเหตุผลมาว่ากันคันว่าผมมีเหตุผมมีผลนักโลกนักใจแบบ huh? บ้าบอล้มแรงๆทิฏฐิ ม, opacity, มานะอันนั้นหลับประไล่ Wine? นะถ้าว่ามีเหตุผลด้วยเรื่องเล่าที่จะต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เพราะเหตนี้เพราะเหตุนี้ทําให้นักใจเรื่องนี้เรื่องนี้ นอกนุ่งทลายมีความบัวสบายใจเรื่องนี้นี่นนกระ บ, บอกมาเลยนะหลวงพ่อจะพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยจะให้ไปคุกคลีกแล้ว่าไปร่วมงานไปทํางานกับน้องน้อง น, องนองุ่งงหลวหล้านๆลานคงเป็นไปจังจันบุอะไรมีแต่รับแนวนโยบายนโยบายกายใช้จ่ายค่าดําเนินการการดําเนินงานจะดําเนินอย่างไง ค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงงบประมาณเป็นยังไงการได้มาเป็นยังไงการใช้จ่ายเป็นยังไงการเดินงานรับผิดชอบในงานของหลวงปูเป็นยังไงเนีหลวงพ่อก็าคงจะนักลักษณะจังสันละนะั า, ายยติญาติพ่อหลูกหลานนะตอนนี้ไปรับพร น, นบดเองพ่อมาหางานหลวงพ่อก็ต้องเบาเรื่องงานแนหะแจก ง, งานให้ พ, า น, พาน้องพานุพารกพาราน คณะัาแ่โมเหนทอสแล้วก็พร้อมกันอย่าลืมนะเรื่องเฟื่องฟางเฟืองขันพลอบ่ได้ไซก็ให้มาเก็บเป็นกองๆไว้ขันพลอยอยากได้บุญนะขันพลบ่อยากได้บุญก็บอกว่ากันละหนีไปไกลๆโหลดจะมาไกลแถวนี่ขันพลอยบ่อยากไบุญนะขันพลอดอยากได้บุญเอาคิดลมปูพนมมันตายมือละสองสเถอชาตินี่เพื่อเือเตียวท่นี่ละอายุตั้งรอยกว่าปี สิ่งใดจะเกิดประโยชน์อะไรจะเป็นบุญเป็นกุศลให้พวกเราถมเทพอย่างสุดทศหลวงพ่อมั่นใจว่าการทําบุญกับองค์หลวงปู่นี่ไม่พลาดท่าไม่เสียที่ผู้ใดทํามากก็ได้มากผู้ใดทำหน่อยน่อยก็ได้หน่อยผู้ใดทำโดยความตักอกตั้งใจกับเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเข้าท่านทั้งหลายทุกขูทุกคนนั่นนะพ่อได้บุญก็ตั้งคนตั้งตายไปแล้ววันผู้ใดจะไปสวรรค์ผู้ใดจะไปนรกก็สุดแทะถ้าไปสิไปลายบาดเลือกเอาได้ห่ดไป เอาละพ่อนเนื้อมาในหน้า